คือเป็นปัจจัยให้เกิดร่างกายและพฤติกรรมต่างๆภายในร่างกายคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียดมีอยู่ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้แล้วในหนังสือพุทธวิทยาเล่มหนึ่งและในคำบรรยายพุทธปรัชญาเล่มหนึ่งในที่นี้ขออธิบายแต่เพียงสั้นๆเพื่อให้จาได้ง่ายๆดังที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าจะจาให้เป็นหลักวิชาก็ควรจะจาว่า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 ซึ่งบางคนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะใช้เป็นคาถาบางสุกุลคือพุทธพจน์ ท, ที่ว่าอาจิรังวัตยังกาโย ο, ปั ต, ติจุดโดโอเปตะวิญญาโนนิรัทังวากะลิงคลังกายนี้อีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะนอนทับทมแผ่นดินกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วเขาก็จะเอาไปทิ้งเพราะไร้ค่าเหมือนกับท่อนไม้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 ถ้าเครื่องจักรเสียกำลังงานก็หมดไปนักวิทยาศาสตร์เปรียบวิญญาณเหมือนกับกําลังงานที่เกิดจากเครื่องจกักรนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเห็นอย่างนี้ก็มักจะลงความเห็นว่าคนเราตายแล้วก็ศูนย์วิญญาณหลังจากตายไม่มีมติของนักวิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวมานี้ทางพระพุทธศา ส, สนาก็ทราบเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้แล้วว่า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 วิญญาณจะยังคงมีอยู่ในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายยังมีชีวิตถ้าร่างกายหมดชีวิตวิญญาณก็ต้องจุดติจุดติหมายถึงการเคลื่อนจากภพนั้นหรือจากภพหนึ่งไปสู่ภพอื่นซึ่งหมายถึงตายนั่นเองแต่การจุดติไม่ได้หมายความว่าวิญญาณสูญการจุดติเป็นแต่เพียงการดับไปชั่วขณะจิตหนึ่ง แ, แล้ววิญญาณจะต้องเกิดอีกซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิเมื่อใดมันก็สร้างรูปคือร่างกายขึ้นมาอีกเมื่อนั้นและเมื่อรูปเกิดก็จะทำให้วิญญาณสืบต่ออยู่ในรูปนั้นต่อไปอีกระาบเท่าที่รูปนั้นยังไม่ดับคือยังไม่หมดชีวิตวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ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 ยเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นแนะนำให้ฟังจากเสียงอ่านพุทธธรรมฉบับปรับขยายซึ่งชมรมผลดีได้จัดทำเวลานะครับ